ฟังธรรมฟังธรรมก็คือฟังงเรื่องของตัวเราดีเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เหมือนกันหมดถ้าพูดเรื่องตัวเราคือกายคือใจถ้ามีสติจะได้เห็น สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเหมือนกันหมดทุกชีวิตเคยหลงก็หลงเหมือนกันเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเคยเปลี่ยนความหลงไม่หลงความหลงก็เลยหมดไปได้หมดไปได้ นดไปจริงๆที่จะให้หลงเมื่อหลงก็เป็นทุกข์เป็นโทษจะไม่มีจริงๆอะไรก็ได้นะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอะไรก็ได้ <c oughs> ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ติเห็น ถ้ามีสติปัญญาผู้มีเพียรชนิดเพ่งอยู่ความสงสัยก็หมดไปอะไรก็หมดไปไม่ใช่ในกายในใจเท่านั้นนอกกายโลกใจก็ได้อะไรที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ว่าได้ มาทำคะแนนคือความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดเก็บคะแนนเก็บข้อมูลได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้เห็นได้พบเห็นไม่ใช่ไปหาไปคิดหาเวลาเรามีสติไปด้คิดหาอะไรสิ่งที่เันงเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่สติรู้จักหมดผู้มีสติปัญญาเห็นหมดในตัวนอกตัวไม่ใช่ว่าจะมาลู้ขณะที่สร้างจังหวะเดินจงกรมเท่านั้นตัว อ, อย่างนี้มัอนครับแคบการมารู้สึกตัวขณะที่สร้างจังหวเดินจงกรม มันเป็นห้องเรียนเฉยๆมันต้องนอกห้องเรียนการศึกษานอกห้องเรียนการอ่านออกเขียนได้นอกห้องเรียนนั่นจริงๆจะเป็นการสอบผ่านการลู้จริงๆเราเชิจะมาหัดกันอยู่อย่างเดียวเท่านั้น เก่งในสนามตอนจะเก่งในสนามต้องเก่งนกสนามเก่งนกสนามก็เก่งในสนามเหมือนด้องกีฬาต้องฝึกเมื่อฝึกแล้วก็เข้าสนามได้ถ้าไม่ฝึกก็ลงสนามไม่ได้ไม่มีลีลา บัณฑิตผู้ฝึกตนนี้แล้วไม่จะประสบทุกอะไรก็ไม่ทิ้งลีลาเยอะยะข้มูลบทเรียนที่จะต้องให้มีสติให้กับชีวิตของเรามากมายนะไม่ได้ว่าจะมานั่งมาเดินอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่ใช่ ให้เราได้ทำคะแนนให้เราจากคะแนนนอกนอกรูปแบบจะมาส่งเสริมคะแนนในแบบในแบบฉบับคือกรรมฐานที่ตามรูปแบบแต่ถ้า โนกรูปแบบไม่จริงก็ไม่ชำนิชำนาญง่ายเราจึงฝึกตนสอนตนทุกรูปแบบจึงไม่น่าจะจนหลังความรู้สึกตัวเนี่ยมันสำหรับมีไปในกายในใจจริงๆเราอยู่ที่ไหนกายก็อยู่ที่นั่น ใจก็อยู่ที่นั่นติก็อยู่ที่นั่นแล้ ว, ก, ลวก็ใชสติตไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็จบลงได้จบลงได้ไม่ไม่มีคำว่าทำไมททำไมททำไมจึงเป็นอย่างนั่นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่มีในหัวใจในหัวใจแบบนี้ นี่แต่ว่ารู้แล้วไม่มีสํหมารู้ลแล้วถ้าจเจ้าทิ้งว้ต้นเหงไม่เป็นอะไรเป็นเช่นนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกโน่กายร่องใจใรูปในรสในกลิ่นในเสียง ที่เกิดกับตากับหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีเท่านี้มีไว้เพื่อบทเรียนมีไว้เพื่อใช่ให้เกิดการบรรลุธรรมคือไม่เป็นไรถ้าทำไ ม, ไม่ได้บรรลุธรรม ม, มีการรู้ทำไม่เห็นทำถก็ไม่เป็นลายนีย่คือการบรรลุธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ใช่เป็นคำพูดเป็นหัวใจเป็นเถทายตัวชีวิตก็ว่าได้คาว่าไม่เป็นลายนีย่คือชีวิตที่ไม่มีการเกิดเจอเจ็บตาย ที่ไม่เป็นอะไรกับรับโลกเราถึงตองโดยตรงกับชีวิตของเราโดยตรงชีวิตจริงๆที่มีกายมีใจเพื่อไม่เป็นอะไรกับอะไรจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผิดเป็นถูกเป็นได้เป็นเสียอยู่มันอยู่ในโลกมันเฉียอะไรมันได้อะไรมันรู้อะไรมันไม่รู้อะไร ถ้าเราเห็นหมดสติเห็นหมดอย่างนี้ทางไม่เป็นอย่างนี้เห็ามาันสุกก็เห็นมันสุกถ้ามาันลู่ก็เห็นมันลู่อะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่มันใชสติมันตรงมันข้ามกับสติทุกอย่างแล้ารู้ชักตัวนี่นก็ถือว่าบทเรียนประสบการณ์แล้ว ถ้าไปเป็นไปกับมันก็ไม่มีบทเรียนสักทียังเป็นอนุบาลกันอยู่เรจะต้องเป็นแต่นุบาลเช่นนั้นหรืชีวิตของเราเราต้องเป็นคนแก่เรียนบ้าง <c oughs> อันนี้ของอันเก่าก็ยังเอามารูปๆคำๆสุกอันเก่าทุกอันเก่า ควาักอันเก่าความโกรธเครืองอันเก่าเก่าก็ยังมีเรียกว่าอานุบาลคนโกรธคนโลภคนหลงคนทุกข์คนตระนุบาลจะเป็นเด็กคนเล็กลูกที่เลี้ยงไม่โตเลี้ยงไม่โต มันนางวิสาขาพูดกับปู่ว่าปู่น้องชายก็หมายถึงคุณธรรมนะัว่าใช่ ว, ว, วิาวุฒิไม่ใช่อะไรต่างๆทำคะแนานอนอกมันดีเราจะรู้จักว่าเราจะรู้สึกว่า แล้วไม่เสียเปรียบกับอะไรไม่เสียเปรียบกับความหลงไม่เสียเปรียบกับความทุกข์แต่บางทีเราได้บทเรียนจากเพื่อนจากนิตรจากคนอื่นจากสิ่งอื่นสิงที่เขาหลงเรไม่หลงเนี่ยไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของการสร้างจาังหวะเราเห็นเราได้ยินเราได้สัมผัส อันสร้างจังหวามันเป็นส่วนตัวส่วนตัวถ้าอยู่กับภ า, ายนอกมันมันได้คะแนนดีมันมั่นใจเขาใช้เราไม่ใจเหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าไปเที่ยวงานกับเพื่อนเพื่อนเขาสูบสบุหรีื้บบุดี หนึ่งเขาจ่ายค่าบุหรีไปแล้วเราไม่ได้จ่ายค่าบุหรีเราจะรู้สึกอย่างไรเพื่อนเขาไปดื่มสุราซื้อดืม่มบุจ่ายอีกไปแล้วเราไม่ได้จ่ายเพราะเงินค่าสุราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราก็รู้สึกว่าเรามม่นจ่ายตรงนี้แน่นอนดางทีจะหาเงินไหนหนามาซื้อบุหรีสูต ชิงเหล่านี้เราไม่ได้คิดเลยาหาเงินก็ไม่ไดเอามาซื้อบุหรี่เอามาใช้เป็นประโยชน์มันก็ต่างกันเราได้เปรียบเราได้เปรียบคนที่สูบุหรี่เราได้เปรียบคนที่ดื่มสุราเราได้เปรียบคนที่สุรุ่ยสุล้ายการมีจิติก็เช่นเดียวกันเขาหลงหลงไม่หลงเนี่ยเราได้ บทเลียงจากตรงนี้มากมายมันก็เป็นการฝึกตัวเองได้ลงสนามได้ตกหมูแร้งไม่เป็นแรง้งตกหมูกาไม่เป็นกาเปบนคนชั่วเป็นคนชั่วมาเราไม่เป็นอย่างนั้นมันก็รู้สึกว่ามันประสบการณ์เยอะแยะสตินี่มันรักษามันคุ้มครองมัน ต้องอยู่เสมอบอกผิดบอกถูกกับชีวิตของเราบอกผิดบอกถูกกับชีวิตคนอื่นที่เขาทําแต่เราไม่สอนเขาเรามาสอนถั่วเราเราคนอื่นทําผิดเรามาสอนถั่วเราไม่เหมือนเรามาสอนกันนั่งอยู่อย่างนี้บทเรียนนอกนอกห้องเรียนนี่มันได้ดีที่สุดเลย อะไรเรามาสอนตัวเราได้สอนตัวเราได้สอนตัวเราได้เรียนลกูกได้เห็นโลกเห็นโลกอย่างเขี่ยมแจงผิดถูกอย่างไรสัตว์โลกมนมุษย์ที่อยู่ในโลกนี่เขาใช้ชีวิตกันอย่างไรและเขาสอนกันอย่างไรเขาปฏิบัติกันตรงไหนเช่นเห็นพระอาจารย์กรรมฐานนั่งสุบุรี นั่งกินมากระโถนสูงขนาดสอกนั่น้นไม่ห่างจากตัวเองนั่งอยู่ทั้งหลถือกระโถนไปด้วยถืองห ม, มากไปด้วยหมากปากไปอยู่ดี่งเลยเชี่ยวอยู่เช่นนั้นอันนี้กรรมฐานกันอย่างไรกรรมฐานขี้บากขี้ยาแต่เราไม่ไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันไม่ได้เราว่าการจัปใบชาชีวิวอย่างนั้นไม่ไ จ, ไมจำเป็น ทำไมไปชบุรีทำไมไปกินหมากมาปากจะอยู่ไห้นิ่งเลยบางทีเห็นเพื่อนอมฮอนปากก็ดูดอยู่ได้จับจบจับจับจุบจ๊ บ, บให้ใหมันดำไว้แล้วก็เออเราทำอย่างนั้นไม่เป็นแล้วมันก็รู้สึกว่าถูกต้องอย่างไจรจึง ต่างเกา่าต่างกันอยู่คนละคนละแบบคนละพิมพ์กันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยอันผิดถูกโลโยงไม่ได้กับตัวเองน้ากับคนอื่นก็ก็กอามาสอนตัวเราจึงอะไรก็ได้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันกว้างขวาง แล้วกันมามีโอกาสมาสร้างจังหวะมาเดินจงกรมเลยเหมือนกับมาเจ็บเอาเจ็บเอาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาง่ายกว่าเก่าถ้าไม่ฝึกนกสนามมาฝึกในสนามนี่อะไรก็ไม่ไม่ง่ายสิแล้วพอจะมีสติกับความง่วงเกิดขึ้นพอจะมีสติกับความหลงเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นลบกวนมากมาย คิดไปข้างหน้าคิดเึ้นข้างหลังทำาทำก็ไม่เป็นผิดส่วนมากถ้าเวลาจะทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยแต่ถ้าผิดนั่นแหละไหนก็เป็นครูถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นครูแต่อย่าทำผิดซ้อม เราจอ่จอยเราจะเข็ดลาบบ้ามันตรงกันข้ามอยู่ผิดก็เฉยมันก็ไม่ได้เป็นความคิดเนี่ยคิดอะไรก็ได้อยู่สลอดเวลาัางทั้งที่ตัวเองฝึกกรรมาฐานอยู่น่าจะใส่ใจทั้งหน่อยทุกครั้งที่มันคิดไปให้มันลู มาได้ผิดอะไรความคิดนะเอามาเป็นบทเรียนเหมือนกันเก็บข้อมูลได้ตรงนี้เก็บคะแนนได้ตรงนี้หลงที่ใดรู้ที่นั่นนี่คะแนนมันเกิดที่ตรงนี้เสาะสมคะแนนก็ได้จริงๆริงมีแต่ได้นะไม่มีเสียนะฝึกกัรมาฐานจริงจริงนะไม่ใช่สมัครเล่นนะไม่ใช่หัดเรียนหัดอ่านหัดเขียนไม่ใช่แบบนั้น การฝึกนี่มันอยู่กับเราการหัดเขียนหัดอ่านมาอยู่กับหนังสือปิ้นโสปากากระดาษสมดุดแต่ว่าการฝึกกรรมฐานที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าหลงก็อยู่กับเราถ้าลูกก็อยู่กับตัวเราเขาจะทําเราเป็นคนเช่นไรต้องหัดเอาจะให้ตัวเองเป็นคนอย่างไรต้องหัดเอา มันมีมุมสอนอยู่ทั่วเรานี่ยต่างกันอยู่บางคนก็มีมุมคนละมุม mm hmm. ต้องเอาสิ่งที่มันเกิดที่มุมใดมุมหนึง่งจุดโดอนอยู่ตรงไหนจุดโดนจุดเล่นจุดอะไรดีมันอยู่ตรงไหนเสริมตรงที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นมาสติมันเข้าไปเรียนได้ทุกรูปแบบ การปฏิบัติธรรมเยมันอยู่ในกำมือเราแท้ๆเลยจะได้อะไรจะไม่ได้อะไรจะอะไรมาเป็นเรื่องได้จะอะไรมาเป็นเรื่องไม่ได้จะอะไรมาเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกอยู่ตลอดไปผิดก็ให้ผิดอยู่เช่นนั่นนะเราจึงสนุกนะการสอนตัวเองเป็นเรื่องสนุก มีรสชาติมากที่สุดเลยมีคุณมีค่ารู้จักว่าตัวเองมีค่าถ้าเราสอนหลักมีหลักเกนฑ์ดีดีเนี่ยมีสติเนี่ยมีหลักเจนมีหลักมีเจนฑ์โตวันโตคืนขึ้นมาเนี่ยมันมีค่าจริงๆคุ้มค่าจริงจริตก็บแทนบุญคุณบิดามดาจริงจริงเมื่อเรามีกายมีใจจริงๆ ใคนเขาหรมันก็ทำดีได้จริงๆละควมชั่วได้จริงๆไม่ใช่ไปทิ้งให้ใครที่ไหนที่ไปช่วยเราให้เราช่วยตัวเองจริงๆโดยชฉพปฏิบัติธรรมมันเป็นมันเป็นการช่วยตัวเองจริง ๆ, ๆมันเป็นการดูแลตัวเองจริงๆคุ้มครองตัวเองจริง ๆ, ๆจะปล่อยตัวเองทิ้งได้อย่างไรเราจึงงนาาจะกระตือรือร้น ก็ตือ่อเรื่อดวมาใช่เดินจะกรมนอนนั่งสร้างจังหวะนานนานสติมันอาจจะไม่อยู่ในรูปแบบนี้เสมอไปบางทีมันชวนให้หลงด้วยช่อมไปเดินนานก็พลาดไปนั่งนานก็พลาดไปซะนั่งจรางจังหวะนานนานก็พลาดไ ป, ไปมันชัดเจนแม่นยำหัวตั้งต้นใหม่ไม่เป็นมันพลาดพลาดก็ทําอยู่เช่นนั้น เรลืมทะเลก็ทําอยู่เช่นนั้นพุ่งซ่านก็พุ่งซ่านอยู่เช่นนั้นให้มาอยู่ก็เรอเราต้องรู้จักรู้จักตัวเองอยู่เสมอมารู้จักตัวเองเนี่ให้มันดีๆสตินี่มันจะได้รับรู้จริงๆให้มันชํานาญให้สติมันชํานาญหัดให้มันชํานาญแต่ก่อนมันไม่ได้หัดมันก็ไม่ค่อยจะชํานาญ ก็ต้องทวนกระแสสักหน่อยจึงมีรูปแบบกรรมฐานเป็นวัตถุปรณกไม่ฝึกทุกคนมีแล้วนั่งรู้แขนเข้าทําบ้ทุกชีวิตยกรูปทุกนามเหียดฉขนออกก็ทาได้ทุกรูปทุกนามมีสติขณะที่รู้แขนเข้า ที่เหยี่ยเฉินออกที่มองไปข้างซ้ายมองไปข้างขวาที่ไปจับไล่ท่งสะบงหงมจีวอนมองซ้ายแลวขวาเดินไปข้างหน้าเดินถอยกลับมาข้างหลังบทเตียนก็ต้องทำอย่างนั้นบ้างหัดให้มันเป็นรูปแบบเพื่อให้มันรู้จัก การใช่กายใช่ใจวันคิดก็ต้องรู้จักตัวเองคิดมันสุขก็รู้จักตัวงสุขมันต่างกับควมรู้สึกตัวอยู่เขาก็เปลี่ยนเราก็หดตรงที่มันไม่ใช่สตินั่นแหละหาให้มันมีสติรู้สึกตัวนั่นรู้สึกตัวนั่นการสร้างจิตว่า ก, ก็เพื่อให้รู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวอย่าไปเคลื่อนไหวมันเป็นสัต อันเป็นนิสัยไม่ดีเพื่อนไว้เล่นๆอย่าไปทําใสจ่ใจถ้าทาอะไส่ใจใส่จิตใ จ, ใ จ, ใ จ, ใจตลงไปทําทเล่นก็ได้นเห็นคนบางคนทําทั้งพูดทั้งคุยทั้งเล่นไปมันก็ไม่ได้เป็นนิสัยทําเล่นๆขี้เล่ น, ลนไม่จริงจังไม่ได้สอนด้วยจริงๆริงยังแต่วมาเป็นรูปแบบ ฝึกอย่างนั่นฝึกอ่างนี่บางทีก็กำหนดเป็นหลักสูตรชั้นที่1นึ่ชั้นที่2อชั้นที่ ส, ส, สมยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอกดหนอให้มันชํานาญทั้งปากก็ว่ากายก็ทําตามปากว่าไปพร้อมๆกัน หายใจเข้าก็หงหน่อหายใจเขกอยุหนอบางทีไม่มีคาว่าบริกรรมว่าตามลมเข้าไปหายขาหายใจเข้าก็อรู้ไปตามลมสุดที่ปลายลมที่สะดือเออจออกก็ตามลมมาสุดปลายลมที่จมูกบางทีก็บริกรรมเข้าไปว่าหายใจเข้าก็พูด ไม่เชือก็โถนี่ก็มีร่วนแต่ฝึนขัดทั้งนั้นเรามาสร้างสติก็ยกมือขึ้นกั็รูยไม่ต้องมีวริกรรมตัดบริกรรมรูปแบบดูไม่ใช่รูปแบบอยู่นะเจ้าหายใจเข้าไม่ใช่ตามลมเข้าหายออกคือตามลมบ อ, อกเราไม่ทําแบบนั้นหายใจเข้าก็รู้สึกที่ เพราะว่าหายเข้าจุดเดียวคือปลายจมูกมันก็ผ่านจมูกเข้าผ่านจมูกออกเอ้ตรงที่มันผ่านเข้าผ่านออกเท่านั้นแต่อย่าไปเพ่งมันให้ดูมันดูเราแล้วมันจะเกิดนิมิตนะถ้าไปถ้าไปเพ่งเรามันเกิดนิมิตน ะ, ะ เ, น เ, ดนดนะเดี๋ยวก็หนักจมูกหลุดไปเลยนะเพ่งมากบ เ่งไม่ได้ให้ดูเฉยๆดูแบบดูอยู่ข้างนอกไม่ใช่ดูอยู่แบบรูปคำรูนั่นแนหะคือดูรูเร็วน่นคือดูรูเร็วฝอยเชือกห้อยเชืข้ารูเชืห้อยเชือกรูเชืไม่ให้บริกรรมถ้าบริกรรมมันมันขวางกั้นไม่เหมือนกับเรา ถุงพลติกสวมมือไปจับอะไรบริกรรมมันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้สึกจริงๆมันไม่มีบริกรรมดุ้นๆสัมผัสเลยไม่ต้องอะไรมาสวมมือถุงมือไปจับอะไรจับด้วยสัมผัสจริงจริจึงทําดูแล้วว่าตัดบริกรรมออกว่ามันมันมันกิงจงมันสัมผัสไดนะ้ บริกรรมมันมันเป็นสิ่งที่ขวงกั้นเน็เกๆตัวน้อยไปมันไปไม่ได้บริกรรมอาจจะเป็นเบื้องต้นสมวัตถุก็ไปไม่ได้จะเป็นเบื้องต้นพอมันมีสติแล้วก็ทิ้งทั้งบริกรรมทั้งพวัตถุน <c oughs> ั่งอะไรก็ได้มีแต่สติเข้าไปเลยเข้าถึงตัวสติทิ้งบริกรรมหมด เราฝึกนี่เราก็เมื่อเราฝึกชำนาญล้วก็สอนได้ทุกรูปแบบสอนได้ทุกรูปแบบในกรรมฐานทั้งหลายมันอันเดียวกันการสอนนี่ก็คือการให้อารมณ์ให้อาการต่างๆเขาจะปฏิบัติมาแบบไหนถ้าเขาพูดให้ฟังเราลู้หมดเขาเป็นอะไรเราลู้จักหมด ไม่ใช่สอนอย่างนั้นต้องไปคนนั้นแจ้งไม่ใช่แบบนั้นมาอย่างไรก็รู้อันเดียวกันหมดก็พูดเรื่องสมถะพูดเรื่องนิมิตพูดเรื่องปิติพูดเรื่องปัจจติแล้วก็รู้จักเขาอยู่ตรงไหนเพราะมันผ่านมาที่เดียวกันถึงจุดไหมปลายทางอันเดียวกันว่าเขาพูดเรานั้นโอ้มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้จักเพราะมันอันเดียวกัน ผลประโยชน์ผลที่สุดแห่งความรู้เดียวกันเหมือนทางเดินเช่นเดียวกันผ่านตรวไหนก็ผ่านเหมือนกันถึงที่หมายเดียวกันถึงที่ไหนก็ถึงเหมือนกันเดินก็เดินคนเดียวเหมือนกันไม่ใช่เดินเอาใครไปด้วยได้ถ้าคนไหนเดินไปผ่านไปเอาพูกันรู้เรื่องแล้วคนหน่อยมัเยวเถอ หลงอยู่ข้างซ้ายข้างขวามันก็ช้าสุกก็เป็นสุกทุกก็เป็นทุกลูกก็เป็นลูกมันเยอชแยะนาอะไรก็เป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกไวเชิงหน่อยด่วนเชิงหน่อยทีอะไรก็เป็นลูกเป็นง่ายดีแต่ว่าง่ายแบบด่วนเอาไว่จำนาญ แต่รูตัวนี้ไม่ใช่มาไม่ได้บทเรียนนะไม่ได้บทเรียนมันจึงมาถึงตัวรูอะไรเพี้นอะไรเที่มันพาหลงมันจึงมาทุกรูอะไรเป็นพาทุกมันจึงมารูที่จึงมันรูเนี่ยมันผ่านมาเยอะแยะผ่านจากความทุกความโกรธความโลภความหลงกิเลสตนะเยอะมันจึงมาถึงความรูที่มันเป็นความรูสักตัวเนี่ยจึงมาจึงใช้ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่มันผ่านมามันก็มันมี คู่ขนานไม่มีคู่แขงไม่มีคู่ซม้มคู่ชกุกมันได้ชัยชนะมันจึงมีคู่ชกุกถ้าไม่มีคู่ชกมันก็ไม่มีชัยชนะมันจึงไม่ถึงลูกเหมือนพระเอกนางเอกถ้าเขาไม่ผ่านอะไรที่โชคกลนมาเขาเป็นพระเอกไม่ได้เป็นนางเอกไม่ได้ยุคของเราเป็นเอตตะค้ามันผ่านจากมากมายมาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ย เอตตะจิตที่เป็นจิตเอตตะะอันใดอันหนึ่งเช่นพละหารแปสบลูกรุ่นเล็กๆเนี่ยมีเอตตะะตะางใดทางหนึ่งเพราะเหมือนจรงอันนี้เราก็ต้องจริงสักอย่างจริงด้วยความรู้สักตัวเนี่ยแล้วจรงไหนความรู้สักตัว วันนี้เราเจงไหมเมื่อวานเจงไหมผ่านมาอะไรบ้างผ่านความสุกได้บ้างผ่านความทุกข์ได้ผ่านความหลงผ่านความละความชังอะไรได้บ้างเจงกูเก่าชำนานกูเก่านี่มันฝึกมันเป็นกอบเป็นกรมขึ้นมาจริงๆไม่ใช่เหมือนฟรีนะมันเป็นซัพย์ิมันเป็นอริซับจริงๆมันใช่ได้จริงๆใช่ ให้ไม่หลงใช้ให้ไปทุกใช้ให้ไปสุขใช้ให้ทุกรูปแบบใช้ให้แม่อารัญต่างๆมากมายอ่าเรยทรัพย์ตัวนี้เป็นสมบัติของเราจริงๆคุ้มค่าที่เราได้มีชีวิตมีรูปมีนามมาก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่นเป็นมิตรกันตัวใครตัวมัน เมนพระพุทธเจ้าพุเจ้าเป็นเป็นผู้บอกสอนการทำเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายพิสูจทั้งหลายรามีพระพุทธเจ้าเป็นอาจาเร า, าไม่ได้จนอะไรเลยเรามาสอทยายค้ำสอนพระเจ้าตอนเช้ า, ต อ, ชาตอนเย็นเอามาสอนเรา เมื่อสอนขยายคาสอนเลื่องมาสอนตัวเรานําตัวเราเข้าปนเอาออคําสอนมาใส่ตัวเราอย่าให้เป็นภาษานกแก้วหนูขนทงมาเป็นการสอนตัวเองอย่าให้เป็นอย่าให้เข้าหูว้ายออกหูัวขว้ามาสอนตัวเราเยอะแ ย, ยะเลยอยู่ในตัวเราทั้งนั้น ความสอนพเจ้าอยู่ในเรานี่สิ่งที่มีก็อยู่ในเรานี่แต่เราทําให้ไม่มีสิ่งที่ทําได้ก็อยู่ในเราแต่เราทําให้มันไม่ได้เพียงแต่ความหลงก็ทําไม่ได้เพียงแต่ควมโกรธก็ทํำมาได้เพียงแต่ความรักความชังที่เป็นอาการเกิดกับใจไม่มีตัวมีตนอะไรก็ทํำไม่ได้ มันจะไปสู้กับความเจ็บความเจ็บ ค, ความตายได้ยังไงถึงเจ็บก็เจ็บจริงๆไม่เหมือนความหลงตายก็ตายจริงไม่เหมือนความโกรธเราจึงหัดย่าประมาทนะชื่อของเรามันมีทุกมีทุกข์จริงๆเยอะแยะเลย ไน่ใช่เราเกิดมาทุกข์ชีวิตเรามันเกิดมาต้องไม่ทุกข์ได้ชีวิตมาเพื่อไม่ไม่มีทุกข์แล้วกองทุกข์เต็มไปด้วยกายก็เป็นทุกข์รูป ก, ก็เป็นทุกข์น้ำก็เป็นทุกข์เราจะต้องไม่มีทุกข์เด็ดขาดกับเรื่องกายเรื่องใจเลย ใตวนี้เราโอกายมันเป็นเรื่องทุกข์ทุกงสุขเอาใจมาเป็นเรื่องทุกข์ทุกงสุขมันยังไปไม่ได้สู้ไปแก้กุญแจไม่ไขแล้วเราทำไปทำไปมันก็จะมีหนทางไปเราจังได้ยินพระพูดได้ขั้นตอนบางเตือน เห็นความหลงโอ้โหไม่ใช่เรื่องน้อยแล้วมาเห็นความหลงตื่นหลงขึ้นมาได้ทางได้เช่นทางแต่อย่าไปดีใจนะอย่าไปติดอย่าไปลู้ติดลูบไม่มีความเพียรต่อไปอย่าไปลำดับลำนำลูปคำไปเรื่อยไปสักวันหนึ่งเราจะได้เห็น ประกาศตัวเองตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่เอากายเอาใจมาเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เด็ดขาดจะไม่เอาเรื่องกายเรื่องใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์เด็ดขาดเมื่อเราไม่เอากายเอาใจมาเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันก็เป็นไปเองไม่เบียดเบียนใครเองบางคนอันเดียวกันมิแต่จะช่วยกันระบาดเนี่ย เพว่าเห็นทษกันโทษที่เกิดกับกายกับใจเราเมื่อเห็นตัวเราก็เห็นคนอื่นก็ตื่นรือร่นที่ช่วยคนอื่นแล้วบาดเนี่ยเป็นงานเป็นชีวิตไปเลยป่วกันเที่ยงไม่ได้ไมีแต่ช่วยกันแล้วบาดเน่ยว่าไม่เวลาเห็นคนหลงก็บอกว่าไม่หลงก็ได้นะจะเข้าไปช่วยเวลาเห็นคนโกรธไม่โกรธก็ได้นะจะเข้าไปช่วยไม่ปวดกันเที่งเวลาเห็นคนทุก พีุ่กกังวลเศร้าหมองหน้าหวดหน้าเบี้ยว อ, อยากเข้าไปช่วยแล้วก็เมื่อลู้ตัวเองแล้วก็ลูกคนอื่นแล้วก็ไม่ทิ้งกันเกิดเมตตากุณหาขึ้นมามหากุณหาที่คุณเชิดพระพเจ้าพรพุทธชันจันตีเป็นผู้มีเมตตาเอาชนะมารแล้วแล้วจึงเห็นมารที่เกิดกับคนอื่น ก็ช่วยคนอื่นละบาเนี่ยพว่าคนอื่นจะได้ความลำบากช่วยก็ช่วยได้จนมาถึงพวกเราก็ยังมีกระแสเท่าเมล็ดสายแล็น้อยอยู่ในหัวใจเราก็มีได้แล้วก็มีโอกาสได้เกิดหมาเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนได้ปฏิบัติตามคำสอน ได้มีศรัทธาได้เกิดความเชื่อได้เกิดวิธีปฏิบัติจนออกบวชจากบ้านจากเรือนจนมาอยู่วัดอยู่ว่าบานนี้แล้วมาใช่เหล่าสุ่มๆสาวๆไปไมีหลักมีเกณฑ์เอาโดยที่เรามีสติเหมือนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระ อ, องค์ อใดที่เราลูกจักตัวเปลี่ยนลายเป็นเปลี่ยนหลงเป็นลูกเหมือนกับเราได้ใกล้คิดกับพระรัตนตาัยกาลังจะมีศีลขึ้นมากำลังจะมีสมาธิปัญญาขึ้นมาทำกำลังจะเข้ามาช่วยเราเ right. <Okay. S 2> มื่อเราเบิกไปเฟกไปก็เห็นอานิสงส์สามารถจะลิขิตชีวิตเขียนชีวิตของตนเองได้ ตกแต่งได้สร้างสรรได้จากสิ่งที่่ดีให้ดีได้พ้นภาวะเก่าๆได้บ้างนะไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่เดิมการปฏิบัติมันไกลข้างหน้าเหมือนกันมองขึ้นข้างหลังก็ไกลไกลกว่าเก่าสูงกว่าเก่าริงที่ทำมาก็โอ้ยขนหัวลุก จะให้คิดเหมือนเมื่อก่อนมันคิดไม่ได้จะให้ทําเหมือนเมื่อก่อนมันทํำไม่ได้จะใหพูดเหมือนเมื่อก่อนมันพูดไม่ได้เช็ดหลาบรวมชั่วมันเฉ็ดหลาบรวมทุกข์ก็เฉ็ดหลาบรวมโกรกก็เช็ดหลาบเช็ดหลาบมากกว่าอย่งอื่นการทําให้คนอื่นล้มบากคนอื่นเดือดร้อนเช็ดหลาบมาก มีกายมีใจไม่อะไรก็ไม่ทำให้ใครเดื อ, อดร้อนแน่นอนไม่ว่าจะคนหรืออะไรก็ตามเพราะนั่นเราจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าตลอดชีวิตของเรานะให้ฝ่ากันฝึกให้ฝ่ากันเจ็บข้อมูลให้ฝ่ากันทำคะแนนนอกรูปแบบบางเวลาหิวเวลาอิ่มเวลา ทำงานทำการจำโน่จนจำนี่ให้ชัดเจนแม่นยมกับการใช้ชีวิตตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกนอกรูปแบบมันจะไม่เกี่ยงสตีไม่ชำนานจะมาอยู่ในแต่รูปแบบอย่างเดียวมันไม่เพียงพอไป <c oughs> บินท บ, บาทไปกวดตาดพูดคุยกับเพื่อน กุงหารเวลาคุ้เวลาฉันเวลาหิวเวลาอิม่มแป้งพันล่างมือให้ใส่ใจใส่ใจมันก็เขียนไว้ล่างแก้วล่างใจล่างทั้งแก้วล่างทั้งใจทำไอย่าไปเอาว่าอนี้ก็ยากอันี้ก็ยา ก, ก, ยากไม่อยากทําลําบากแกนั้นลาบากอย่างนี้ ไม่มีในหัวใจคําว่าลําบากเขาว่ายากไม่มีในหัวใจเราของนักงปฏิบัติอะไรมาเกิดขึ้นมาคําว่าทำไม่ได้ทำมาได้ไม่มีมีแต่ว่าไม่เป็นลายไม่เป็นลายง่ายง่ายเขาว่าได้ไม่ได้มันยากว่าไม่เป็นลายไม่เป็นลายมันเบาเบาตอนนี้ปวดบ้านก็ยาก ล้าถ้วยล้างชามก็ยากแปลงฟันก็ยากตื่นก็ยากนอนก็ยากงวยแต่ไปคิดอะไรลบขวรเยอะๆไม่มีไม่มีมมชัดเจนไม่ยำเฉพาะเรื่องชีวิตไม่เฉพาะเรื่องชีวิตปุ่นไหวยะทำอันนี้ก็พุ่งจานไปแล้วมันพุ่นหวมัไม่ได้รัดสักตี จากวันที่เราเกิดมาไถึงวันนี้มันหลงมามากแล้วจะให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันก็ก็ยากเชหน่อยเพราะมันเคยทางทางโ น, น้นก็คิดอะไก็คิดได้เคยพูดเลยก็พูดได้เคยรักเคยชังได้ง่ายๆชีวิตจริง่ายไปทางโ น, น้นข็ใช่อะไรก็ป้ายหมดข็ใช่โกรธก็โกรธรักก็รักขี้เกียจก็เกียด ข, ย, ดขยันก็ขยัน บื่อน่อยก็บื่อน่อยมีเหมือนกันความเบื่อหน่อยความเบียดข้านความโทษแท้เอามาขวงกันตัวเองเบื่อหน่อยก็หยุดก็หยันก็ทำไม่ความขี้เกียจให้ความขยันพาทำให้ความอยากพาทำให้ควาไม่อยากพาหนีอันนี้มันไม่ใช่ ต้องฝึกเป็นอิสระให้รู้จักตัวทำอะไรใรู้จักตัวเอมรู้จักตัวเนีย่ยไปเกี่ยวข้องกับได้ทุกเกี่ยวข้องกับทุกอย่างได้เกิดอะไรขึ้นกับรู้จักตัวรู้จักตัวกลับมานี่เหมาต่างที่นี่หัวล่อความผิดความถูกอยู่ตลอดเวลาอ๋อเอาละสมควรจะเวลา